ถ้าเคยมีเรื่องบนถนนคุณจะรู้ว่าโทสะทิชนะสติทำเรื่องน่าอายชั่ววูบได้ขนาดไหนถ้าเคยฉุนเฉียวอารวาดใส่พนักงานบริการคุณจะรู้ว่าตัวเองอยากมีอำนาจเอาไว้ฟาดฟาในใครตัวใครนอกบ้านแค่ไหนถ้าเคยทะลาะกับรปภบ้าอำนาจคุณจะรู้ว่าความไร้เหตุผลสร้างความเกลียดชังได้เจียบลันเพียงใด อารมณ์มาก่อนเหตุผลอารมณ์ดิบมาก่อนอารมณ์สุขถ้าอยู่นอกบ้านระขาสติยับยั้งชั่งใจแม้ครั้งเดียวก็เป็นชนวนให้อารมณ์ดิบครอบงำจิตใจยิ่งพอกยิงหนาแน่นยิงเป็นอัตโนมัติโดนกระทบแล้วปากด่าก่อนใจคิดกำเนิดปีศาจปีศาจ เกิดจากการปล่อยอารมณ์เถือนถ้าสังเกตความแรงในะขณะบันดาลโทสะเหมือนรถเบรกแตกไม่มีอะไรเอาอยู่ควบคุมตัวเองไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองถูกควบคุมด้วยอะไรอีกอย่างเป็นอีกภาคหนึ่งในตนที่ไรเหตุผลไรระเบียบวิธีคิดไร้สติปัญญามีแต่อาการพุ่งไปชนให้พังท่าเดียวนั่นแหละคือกำเนิดปีศาจ อารมณ์ปีศาจเหมือนควันมืดบางใจเป็นใครยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจผ่องแพ้วแล้วหมันใส่ได้ยินใครพูดเรื่องให้อภัยแล้วรู้สึกตลกแต่ถ้าได้ยินเสียงพะรุษวาสด่าทอโครองครามหรือได้อ่านข้อความอยากคายร้ายกาศจะเกิดความตื่นเต้นสะใจนึกสนุกอยากยุให้ตีกันหรือฆ่ากัน ถ้าชีวิตหมกจมอยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นโดยมากและต้องตายไปกับความย้อมติดในอารมณ์นั้นก่อนขาดใจคุณจะไม่สรัทธาแสงสว่างแม้ประสาตตายังทำงานก็เหมือนเห็นแต่หมอกมืดปกคลุมไม่ต่างจากตอนกำลังหน้ามืดอยากเอาเรื่องคนเรียกสติแบบแรงการระลึกถึงความตาย เมื่อยังมีชีวิตยังมีโอกาสแก้ไขทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกตัวว่าจะหน้ามืดอยากเอาเรื่องใครให้ถามตัวเองว่าถ้าต้องตายเดี๋ยวนี้จิตแบบนี้จะกลายร่างเป็นอะไรคุณจะเริ่มเห็นเปรียบเทียบถูกว่าระหว่างจิตคนที่มีสติมีเหตุผลมีกุศลสว่างต่างจากจิตปีศาจที่ขาดสติไร้เหตุผลและมีแต่อกุณลธรรมดามืด จากนั้นภาวะปีศาจกลับตัวจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงความตายเป็นสติแบบแรงพลิกมุมมองชีวิตทั้งชีวิตได้เปลี่ยนมืดเป็นสว่างได้เปลี่ยนหยาบเป็นประนีตได้ถอนตัวจากลมอบายได้